เดือนที่หนึ่งเราเกาะของมือใหม่อย่างที่ตัดสินใจแต่ต้นแล้วว่าฉันจะเชื่อพระพุทธเจ้าทุกคาเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่พระองค์ตรัสไว้ในสุ ป, ปุาพระพันณหสูตรว่าจัดทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีฉันก็น้อมมาสู่ใจและถือเป็นเลิกดีประจำตัวอย่างเช่นเมื่อแน่ใจว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานสี่แล้ว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 นับแต่นี้ฉันจะให้ลมหายใจเป็นราวเกาะของสติเสมออาณาปานาสติอย่างย่อสาหรับมือใหม่ฉันศึกษาอาณาปานาบพะของหมวดกายในสติปทานหรือที่สามารถแยกออกมาเป็นสูตรต่างหากโดยพิสดารชื่ออาณาปานาสติสูตรเห็นว่ามีความลุ่มลึกและต้องยอมรับว่าตอนกลางถึงตอนท้ายสูตรค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับมือใหม่ ฉันจึงคัดเฉพาะส่วนที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไว้ปฏิบัติเพื่อให้หยิบจับได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่สเปะสปะพร่าเลือนฉันเห็นว่าหลักการง่ายๆสําหรับมือใหม่ฝึกรู้ลมหายใจมีดังนี้ 1. มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั่นคือให้แน่ใจว่ายกสติขึ้นจับลมหายใจซะก่อนเป็นอันดับแรก 2. ถ้าหายใจยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจยาวทั้งขาออกและขาเข้า 3. ถ้าหายใจสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจสั้นทั้งขาออกและขาเข้า 4. ทําจิตตนเองให้อยู่ในฐานะผู้รู้ผู้เฝ้าดูว่าสายลมหายใจที่กำลังปรากฏมีสภาพใดทีแรกฉันก็สงสัยว่าจะเอาอะไรวัดว่ายาวหรือสั้น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 พูดง่ายๆคือดูว่าลมครั้งนี้ยาวหรือสั้นกว่าลมครั้งก่อนเมื่อตกลงใจยึดอาณาปานสติเป็นราวเกาะถือว่าการปล่อยราวเกาะคือการล้มลุกคลุกคลานฉันก็ได้คำตอบในทันทีว่าจะกระทาจิตให้มีคุณภาพพร้อมรู้ชัดเจนได้อย่างไรถ้าจิตอยู่ในฐานะผู้รู้ผู้เฝ้าดูลมหายใจได้ตามจริงว่ากาลังเข้าหรือออกกาลังยาวหรือสั้น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 อาจเพราะกระตือรือร้อนมากไปหน่อยลมหายใจมหามงคลจึงถูกรู้ด้วยจิตที่เพ่งแนว่วราวกับจะยิงธนูสมองของฉันทำงานเป็นนักพาคไปด้วยบอกตัวเองราวกับเด็กไม่รู้ประสีระษาว่าอย่างนี้หายใจเข้าอย่างนี้หายใจออกความเคยชินตามแนวฝึกเดิมทำให้ฉันเฝ้านับไปด้วยฉันเป็นพวกนับระหว่างกำลังหายใจออก ตอนกำลังพ่นระบายลมก็นับหนึ่งอีกครั้งก็นับสองและบังคับให้แน่ใจว่ากำลังรู้ลมออกกำลังรู้ลมเข้าตามกติกาข้อแรกของอาณาปานสติหายใจสิบกว่าครั้งจนเกรงไปทั้งตัวฉันสำรวจอีกทีก็เห็นเหมือนตัวเองกลายเป็นหุ่นขี้พึ่งคอคือหลังไหลแข็งทื่อไปหมดแถมสติหล่นลงน้ำไปตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบ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 ทำให้ลมหายใจธรรมดากลายเป็นลมหายใจแห่งความเครียดเกรงด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิดแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการกําหนดสติเริ่มแรกได้ถูกต้องกันแน่นั่งนึกนึกถึงตอนทำสมาธิแล้วสงบสุขลงได้แบบฟลุกๆุกก็จำไม่ได้ว่าตั้งต้นท่าไหนจึงเข้าสู่ความสงบนิ่งเช่นนั้นฉันเม้มปากรู้ตัวว่าถ้านั่งคิดเคร่งวกวนแบบนี้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 เพราะคลื่นความคิดเหมือนน้ำขุ่นคลักบดบังไม่ให้เห็นอะไรเสียหมดฉันออกมายืนกลางสนามเงยหน้ามองฟ้าใสสบายสบายและรู้สึกหัวอกเปิดโล่งดีจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจิตปิดแคบเคร่งครัดเมื่อครู่เรียกว่าเป็นคนละเรื่องทีเดียวฉันยิ้มด้วยอาการของคนตาสว่างเมื่อยังเห็นคลุมไปทั้งโค้งฟ้าเบื้องบนนั่นเองก็ลองกาหนดว่าจะรู้ลมหายใจออก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 และพร้อมรู้ลมหายใจตามจริงว่ากำลังเข้าหรือออกยิ่งนานก็ยิ่งเบาตัวแม้คลื่นความฟุ้งซ่านยังคอยตามราวีแทรกแซงสติอยู่ตลอดก็ไม่รู้สึกรำคาญ ร, รวมทั้งไม่สามารถทำให้ลมหายใจเสียความสำคัญไปแต่อย่างใดฉันจดจำไว้ในใจว่าจิตต้องเปิดสบายเหมือนมองฟ้าอย่างนี้สติถึงจะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนับลมหายใจได้ประมาณยี่บครั้ง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 นอนหลับพักผ่อนให้สมกับเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ได้พักงานสบายไม่ดีกว่าหรือพอรู้สึกตัวว่าคิดเช่นนั้นก็สะดุ้งเล็กน้อยเพิ่งสิบนาทีที่ยอดมนุษย์เริ่มเดินทางไกลตัวหน้าเกลียดอะไรดันทะลึ่งโผล่เข้ามาในหัวกัลลันนี่แต่ฉันก็ไม่โทษตัวเองเพราะอย่างน้อยก็ไวพอจะจับได้ไล่ทันเจ้าตัวน่าเกลียดนั้นโยนทิ้งจากทาง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 ความสบายหน้าท้องรวมทั้งความผ่อนคลายองคาพยพนี้นับเป็นปัจจัยแวดล้อมเอื้ออำนวยให้สติตั้งได้ดีตั้งได้ทนจริงๆใจนึกว่าเดี๋ยวลุกขึ้นจะไปจดความจริงนี้ใส่สมุดบันทึกอีกแต่แล้วความสังเกตสังกาก็พาไปพบความจริงอีกประการหนึ่งนั่นคือเมื่อร่างเหยียดยาวในแนวราบสติจะลดความคมลงในระยะยาว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 แต่มันเป็นไปได้ที่จะรู้สบายๆไปด้วยระหว่างฟังคนอื่นพูดบางทีมีความสับสนว่าใจกำลังอยู่กับอะไรกันแน่ระหว่างฟังคนอื่นกับรู้ลมหายใจพอรู้สึกตึงๆขึ้นมาก็ปรับใหม่ฟังคนอื่นพูดเต็มที่และพอถึงจังหวะว่างค่อยถามตัวเองเงียบๆว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าได้ผลเหมือนกัน ฉันว่าฉันเริ่มรู้ลมหายใจชัดขึ้นกว่าปกติอาจเป็นเพราะจิตจดจ่อฝักฝ่จริงจังไม่คิดทอดทิ้งหรืออาจเป็นเพราะฉันเริ่มเข้าใจอาการของจิตว่าเป็นอย่างไรถึงจะรู้ลมหายใจได้สบายสบายปกติฉันนอนประมาณห้าทุ่มและตื่นราวตีห้าเพื่อลุกขึ้นอาบน้ําเตรียมตัวไปทํางานแต่เมื่อศรัทธาในทางพ้นทุกข์คือสติปัฏฐานสี่ เวลานอนและตื่นก็ถูกกําหนดขึ้นใหม่คือเข้านอนสีทุ่มและตื่นตีสี่ฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าอาณาปานาสติเต็มขั้นของพระพุทธเจ้านั้นต้องการทั้งเครื่องประกอบภายในและเครื่องประกอบภายนอกเครื่องประกอบภายในได้แก่ลมหายใจกับสติเครื่องประกอบภายนอกได้แก่สถานที่อันวิเวก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 นับว่าฉันได้ตัวอย่างจากการตั้งสติรู้ลมหายใจขณะลืมตามาพอสมควรหานี่ขนาดวันเดียวนะนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวเชียวละคราวนี้ฉันจะนั่งหลับตารู้ลมหายใจดูบ้างเป็นการนั่งหลับตาด้วยความตั้งใจว่าจะเอาตัวอย่างการรู้ลมที่ถูกต้องรวมทั้งสร้างสติให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อนาไปใช้ในเวลาปกติ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 ต่อเมื่อปิดตาลงและพยายามยุติความคิดหันเหความสนใจไปหาลมหายใจนั่นแหละจึงรู้ตัวโอ้โหอะไรมันจะคิดไม่หยุดขนาดนี้ฉันเผลอไปกําหนดลมหายใจตามความเคยชินดําเดิมเข้าอีกคือพยายามตั้งใจเพ่งเลงยึดจับลมหายใจเหนียวแน่นเหมือนพวกเล่นรักบี้แย่งลูกได้แล้วต้องกอดไว้กับอกไม่ยอมให้ใครมาแย่ง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 ถามตัวเองว่าจะไปได้สักกี่น้ากันฉันแปลงฟันอาบน้ำและทานข้าวเช้าตามสบายมารู้สึกตัวถามหาเราเกาะว่าอยู่ไหนแล้วก็เข้าไปหลังเวลาอาหารเช้าหลายนาทีพอนึกถึงลมหายใจได้ทั้งยังอิ่มอิ่มจิตก็ถามตัวเองว่ามัวทำอะไรอยู่เพื่ออะไรคนเราเวลาอิ่มแน่นนี่หนังตายหย่อน กล้ามเนื้อถ่วงลงสู่สภาพราบกับพื้นได้ทุกทีรู้ลมหายใจได้เพียงสองสำนก็เข้าสู่ภาวะมืดทึบร่างกายปรากฏเป็นเหมือนสุสารฝังศพสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ยัดเยียดไปหมดทอนหายใจเฮือกหนึ่งบังเกิดความท้อแท้และถามตัวเองซ้ำขึ้นมาอีกจะไปไหวไหมจะทนได้สักกี่น้ำจะเอาของสูงมาครองได้แน่หรือฉันเปิดสมุดพก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 ก็คงดีกว่าการตะเกียกตะกายอยู่ในนรกแห่งความไม่รู้ไปอีกชั่วกลับชั่วกันแน่นอนอ่านจบก็ตาสว่างมีกำลังใจฮึดกลับมาใหม่ตระหนักในบัตรนั้นว่าก้าวแรกๆต้องอาศัยกำลังใจทั้งจากภายในและภายนอกการจดความคิดของตัวเองไว้อ่านภายหลังนับเป็นเรื่องดีเพราะอาจมีบางคำที่เตือนให้จาได้ว่าเรามาเสียเวลาเสียแรง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 พอเหตุปัจจัยประชุมพร้อมก็ได้ส่วนความสงบและตื่นรู้ขึ้นมาเองนับลมไปได้ประมาณ50ครั้งแผ่นหลังก็เริ่มออกอาการหาที่พึ่งพิงทีแรกก็พึ่งส่วนนูนของโคนต้นปาล์มแต่ทำาไปอีกหน่อยก็เปลี่ยนไปพึ่งเสือเสียแทนการทำสมาธิก่อนนอนนี่ทำให้หลับสบายดีจริงๆฉันเชื่อสนิทเลยตื่นขึ้นมาด้วยนโยบายใหม่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 ขอให้รู้อยู่เรื่อยๆและจิตใจเป็นสุขสบายเถอะฉันภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อเพิ่มทุกข์วันที่สามเราเกาะในที่ทำงานเช้านี้ตื่นตีสี่ตามเคยยังไม่เคยชินนักกับเวลาตื่นใหม่ก้นเบื้งของหัวใจอยากล้มตัวลงนอนต่อแต่ส่วนสำนึกที่อยู่ชั้นนอกก็บอกตัวเองว่าความพ่ายแพ้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 รู้ได้เท่าที่รู้ซ้ำไปซ้ำมาแต่พร่ำบอกเท่าไรก็ไม่ค่อยจะรู้สักทีเหมือนย่ำกับที่ซ้ำอยู่กับพาวาังเมอหรือฝุ่นฟุ้งทางอารมณ์เสียมากทำงานแบบสลึมสลือแต่พอเข้าห้องประชุมแล้วโดนคู่อริเล่นงานต่อหน้าใครต่อใครฉันก็ตาตื่นโพลงทันทีขึ้นเสียงเถียงกับฝ่ายตรงข้ามอย่างมีอารมณ์แย่จัง เถียงเสร็จก็ต้องมาพยายามนั่งสงบสติใจเดือดปุดๆเหมือนน้ำร้อนจัดอาการหน้ามืดเพราะโทสะทำให้โลกมืดได้จริงมองไปทางไหนเหมือนมีม่านหมอกดำๆคลุมส่วนลมหายใจนั้นไม่ต้องพูดถึงเราอยู่คนละโลกกับฉันเรียบร้อยต่อให้ใช้กล้องดูดาวหรือกล้องจุลทรรศน์ส่องก็ไม่มีทางเห็นเลย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 คล้ายมนโนภาพอันน่ารังเกียจถูกระบายออกตามลมหายใจสู่อากาศว่างเบื้องนอกในหัวฉันว่างเปล่าลงทันทีจิตใจสงบพอจะรู้ว่าลมหายใจเข้าถัดจากนั้นปรากฏขึ้นเมื่อไรแค่รู้ว่าลมออกเมื่อไหร่รู้ว่าลมเข้าตอนไหนก็ทําให้ศัตรูทั้งคนหายไปจากโลกนี้แล้วเออทําไมไม่รู้ซึ่ตั้งแต่ครึ่งวันก่อนหนอ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 แต่สมองมนุษย์ก็ไม่มีปุ่มกดเลือกตามปรารถนาเมื่อเข้ามาเขาก็มาห้ามไม่ได้เลิกคิวนิดหนึ่งระหว่างจอดไฟแดงเห็นสภาพจิตใจตนเองในบัตรนี้เหมือนเด็กน้อยที่กำลังขา ย, ยังไม่แข็งพอมือพลาดจากราวเกาะก็หกล้มหกลุกทันทีแต่ขณะเดียวกันก็เห็นหัวใจของคนไม่ยอมแพ้ยังมีแก่ใจลุกขึ้นสู้ด้วยจิตวิ ญ, ญญาณความเป็นพุท ธ, ธะ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 เหมือนต้านกระแสน้ำเชี่ยวกรากเดินทวนอย่างอืดอาดกลับมาหาลมหายใจอีกครั้งฉันกระพริบตาปริบๆเริ่มงน ง, งงสับสนว่าจะเอาไงฝืนใจก็ไม่ใช่ปล่อยใจก็ไม่ดีแล้วที่อยู่ตรงกลางคืออะไรความเครียดปรากฏเด่นหายใจออกเหมือนระบายความเครียดได้หน่อยหนึ่งหายใจเข้าอีกครั้งคล้ายลืมลืมศัตรูไปซะได้เพราะความเครียดอ่อนกาลังลง ตาสว่างกระจ่างพลันเพอเอิญรถติดไฟแดงยาวเลยมีเวลาพิจารานานหน่อยฉันก็แค่ปล่อยให้ความเครียดเกิดขึ้นด้วยอาการยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นพอระบายลมหายใจออกจนสุดครั้งต่อไปก็สังเกตว่าความเครียดยังเท่าเดิมหรือไม่ความไม่เที่ยงก็ปรากฏต่อใจแล้วและเมื่อใดใจเห็นความไม่เที่ยงโดยปราศจากอาการคลุ่นคิดต่อเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นอิสระเบิกบาน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 ไม่ใช่ถูกเบียดตกด้วยการแทรกแซงจากลมหายใจครั้งเดียวแล้วหายขาดมันยังย้อนกลับมาอีกได้เหมือนบูมเมแรงวิเศษเวียนมาเยี่ยมรอบแล้วรอบเล่าเหมือนไม่รู้จบแม้คว่างออกนอกตัวกี่ครั้งกี่หนก็ตามวันที่สยื้อกับโลกภายนอกเช้านี้ทำสมาธิได้ดีขึ้นเล็กน้อยความจริงไม่ได้สงบเงียบหนักแน่นหรือสว่างสวัยอะไร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 ปล่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายและพองหน้าท้องออกเพื่อลากลมเข้าอย่างยาวจากนั้นระบายลมออกเหมือนลูกโป่งที่คนปล่อยปากให้ใคายลมช้าโดยไม่เร่งบีบความสบายกายและจิตทำให้เกิดความติดใจเมื่อติดใจย่อมไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นเป็นสำคัญแต่ยังปักหลักอยู่กับสิ่งที่ทาให้ติดใจนั้นคือพองท้องช้า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 ฉันตื่นตอนตีสี่ด้วยความฝืดฝืนตามเคยเอจะต้องฝืนไปอีกนานไหมนี่นึกว่าสองสาวันคงชินแต่ไม่เห็นชินสักทียังต้องลุกทั้งโดนขี้ตาบทบังทัศนวิสัยอยู่นั่นแล้วให้กำลังใจตัวเองอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบฉันเลือกเดินในทางที่เหล่าอริยเจ้าท่านเดินกันด้วยความสมัครใจของตนเองซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทางสบาย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 เหลือแต่ความมืนอันเกิดจากการตื่นเช้าและการพยายามนั่งจดจ่อรู้ลมหายใจฉันคิดถึงที่ตกลงกับตัวเองไว้คือรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าไม่รู้ก็ช่างมันไว้ก่อนถึงบริษัทเข้าประชุมตามหน้าที่เห็นหน้าบรปักอยู่ในห้องประชุมด้วยแล้วเหมือนมีเครื่องเป่งลังสีทรมานลูกตาฉายออกมาตลอดเวลาให้ตายเถอะทาไมโลกต้องมีคนที่เราเห็นแล้วราคาญใจด้วย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 และเปิดไฟกลางห้องขณะถือผ้าเช็ดตัวตรงมาที่ห้องน้ำก็ต้องชงงะงักกึกเมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นนาฬิกาเหนือประตูห้องน้ำเห็นบอกเวลาตีสี่ฉันงงจนต้องนิ้วหน้าเกาหัวและเดินกลับเข้าห้องนอนเพื่อเช็คเวลากับนาฬิกาปลุกหัวเตียงคงมีเรือนใดเรือนหนึ่งบอกผิดแน่ๆแต่แล้วก็ต้องชงงะงักอีกครบ เมื่อพบว่าเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาตีสี่เหมือนเรือนข้างนอกห้องฉันยืนกระพริบตาปริบๆเข้าไปเพ่งใกล้ๆ ก, ก, ก็เห็นเข็มกำหนดเวลาปลุกชี้ที่เลขห้าถูกต้องเอาละสิฉะไหนนาฬิกาคู่ใจจึงร้องแรกแหกระเชิดขึ้นมาในเวลาตีสีอย่างนี้ได้ควรจะขนลุกไหมเนี่ยฉันกลืนน้ำลายเอือ้อแล้วนั่งแปะลงกับพื้นอาจจะเป็นเสียงนาฬิกาในฝัน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 เลิกเห็นตัวเองยืนมังุมมังาราอยู่ที่หลักกิโลแรกของเส้นทางแสนกิโลเมตรแต่เริ่มวันใหม่ด้วยความรู้สึกปกติมีความพอใจแค่เพียงตื่นขึ้นมาสูดอากาศสดชื่นร่างกายและจิตใจก็เข้าที่ของมันเองแล้วฉันล้วงสมุดบันทึกขึ้นมาจากทังขยะเขียนลงไปในหน้าบันทึกวันที่6ว่านับหนึ่งใหม่และเขียนกำกับไว้ด้วยว่า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 1. ศรัทธาความมีศรัทธาทั้งในพระพุทธเจ้าและทางเดินคือสติปัฏฐาน4 2. วิริยะความมีใจเพียรต่อเนื่องไม่ย่อหย่อน 3. สติความสามารถยกจิตขึ้นรู้วัตถุอนันเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้า 4. สมาธิความสามารถตั้งจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหว 5. ปัญญา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 ถือว่าดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาที่บางครั้งเฝ้าพวงห่วงลมจนเครียดแต่บางครั้งก็ปล่อยใจล่องลอยเผลอเหมือหน้าดูชมสรุปในคืนที่หาการภาวนาไม่ได้เดินหน้าด้วยการเอาใจใส่ภาคเพียรหรือยกสติขึ้นตั้งให้เป็นสมาธิอย่างเดียวบางครั้งต้องเติมศรัทธาที่เริ่มเหือดแห้งเข้าไปด้วยและทางเดียวที่จะรู้ว่าศรัทธาพร่องไปหรือยัง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 อาจเรียกได้ว่าครั้งแรกในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เข้าวันที่เจ็ดแล้วนับแต่ปลงใจเริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังความรู้สึกเหมือนเพิ่งสองสามวันเท่านั้นเวลาของการปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานจะผ่านไปนานช้าเพียงใดก็ตามวันหนึ่งเมื่อบังเกิดผลขึ้นแล้วมองย้อนไปก็เหมือนใช้เวลาสั้นแส น, ส, น, ส, นสั้นคุ้มแสนคุ้มเมื่อมีกาลังใจ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 และจำเป็นต้องเร่งให้เสร็จภายในวันนี้มิฉะนั้นอาจต้องถูกปรับฉันก็เป็นพนัก ง, งานที่ดีเจ้านายว่าด่วนก็เร่งไปให้อย่างรีบด่วนอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเป็นกรณีฉุกเฉินนานทีปีหนใช่ว่าเจ้านายจะโทรมาด้วยน้ำเสียงเหมือนแจ็คตื่นไฟบ่อยๆช่วงบ่ายหลังอาหารเที่ยงแล้วเกิดอาการหนังท้องตึงหนังตายหย่อนเล็กน้อย สังเกตเห็นว่าเมื่อคุณภาพจิตเริ่มเสื่อมถอยจะเหมือนมีฝ้าฟางบังบดบางทัศนวิสัยไม่ให้เห็นลมหายใจชัดนักและตัวลมหายใจก็เหมือนรีบเล็กลงกับทั้งหยาบมากขึ้นด้วยแม้ยังปรากฏสติรู้ว่าเมื่อใดลมเข้าเมื่อใดลมออกอยู่ก็นับว่าน้อยถ้าเทียบเคียงกับแสงสว่างก็คงต้องว่าสติเมื่อเช้าประมาณหนึ่งยแรงเทียน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 ทำให้การเจราจาราบรื่นและเป็นมิตรกว่าทุกครั้งพอศัตรูคู่อาฆาตจากไปฉันก็ซึมซับความรู้สึกดีเล็กๆน้อยๆอยไว้ยิ้มให้กับตัวเองจิตบอกตัวเองอย่างหนึ่งว่าถ้าใจเราไม่มีโทสะแต่มีสติสัมปชัญญะดีขณะเจราจาน้ำเสียงก็จะราบเรียบคลื่นจิตที่ลอยไปกระทบคู่สนทนาก็เงียบสงบเมื่อไร้ร่องรอยของปรปัก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 ลมหายใจเข้าก็ชัดของเขาอย่างนั้นแหละลมหายใจออกก็ชัดของเขาอย่างนั้นแหละเช่นเริ่มสนใจสังเกตว่าถึงตรงนี้จะทำความคืบหน้าต่อไปอย่างไรก็ตอบตัวเองว่าไปตามลำดับอาณาปานสติสิหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นเพียงน้อมจิตกําหนดรู้นิดเดียว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 ก็เห็นประจักษ์อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าปัญญาแบบคิดๆมากมายเหลือจะเปรียบฉันไม่ค่อยตระหนักว่าตัวปิติเริงร่าแบบคนดีใจทำงานสำเร็จเสียทีนั่นเองเป็นตัวการให้องค์แห่งโพชฌงที่หนึ่งและที่สองหายหอนไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นใจฟองฟูแบบดิบๆไปสติยังมีแต่ดึงมารู้ลมเข้าออกไม่ได้ชัดปิติชัดกว่าแต่ก็ไม่เป็นไร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 อันเป็นองค์ที่สามแห่งโพชงได้เต็มปากก็ต่อเมื่อใจให้ความสำคัญกับธรรมวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่ลดละจริงจริงสิ่งอื่นเหมือนด้อยค่าลงเสียลําดับความสำคัญให้กับธรรมวิจัยทั้งหมดทั้งสิ้นกล่าวคือในขั้นนี้ฉันไม่สนใจอะไรอื่นมากไปกว่ารู้ลมเข้าแล้วต้องผ่านออกไปเป็นธรรมดากับทั้งเปรียบเทียบได้ทันว่าเมื่อใดลมหายใจสั้นลงเมื่อใดกลับกระเตื้อง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 แต่ฉันก็ให้คะแนนตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเมื่อใช้โพชชงเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบแล้วพบว่ายังไม่เกิดปิติชัดฉันทำความเข้าใจแยกแยะภาวะปิติได้ถูกถ้าปิติแบบโลกโลกจะเหมือนหัวใจพองฟูคล้ายเด็กดีใจได้ของเล่นมีความวูบวาบหวั่นไหวให้ผลเป็นอาการเนื้อเต้นอยากลุกขึ้นขยับเต้นแรงเต้นกาแต่ถ้าเป็นปิติในองค์สมาธิ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 กระทั่งจิตเหมือนฟองสว่างว่างโล่งที่บอกตัวเองเกือบตลอดว่าลมหายใจไม่ใช่ของเราแต่ในความว่างนั้นยังมีความฝืดหรือจะเรียกว่าอะไรดีมันหนืดหนืดอยู่ชอบกนปิติแบบวูบวั บ, บวบเหมือนอิ่มอกอิ่มใจที่หายไขย้แล้วสลับเป็นกลัดกลุ้มลึกๆตรวจสอบเทียบเคียงแล้วน่าจะเป็นลักษณะเดียวกับความร้อนใจ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 ฉันเจอคู่อริตอนเดินสวนกันพอเดินสวนกันสติฉันหลุดจากฐานแว บ, บหนึ่งคือแลบไปจับอยู่ที่ความรู้สึกในอัตตาของเรากับอัตตาของเขาและเกิดวาระแรกเห็นว่าจิตของฉันเหนือกว่าไม่ควรลดตัวไปเทียบกับคนระดับต่ำกว่าอีกต่อไปสรุปคืนนี้ถ้าตรวจสอบด้วยเกณฑ์คือพ่ชงฉันพัฒนามาถึงขั้นสามแต่ถ้าตรวจสอบด้วยอนาปานสติ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 ตื่นขึ้นเช้านี้ด้วยความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่คนเดิมฉันหาว่าอะไรเป็นเหตุให้รู้สึกเช่นนั้นก็ได้คำตอบว่าเป็นศรัทธานั่นเองที่ผิดแผกแตกต่างฉันไม่เคยเชื่อแบบเต็มร้อยมาก่อนเลยว่าชาตินี้จะสามารถบรรลุมรรคผลได้แต่บัดนี้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยว่าต้องทำสำเร็จเพราะแน่ใจแล้วว่าถ้าทาตามลาดับสติบัตฐานสี่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 มีสติยกขึ้นรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติคราวนี้เมื่อน้อมเอาสติที่มั่นคงแล้วนั้นรู้อิริยะบทนั่งบัดนี้กายปรากฏเป็นโพรงว่างเปราะบางเหมือนฟองสบู่มีสาระเพียงเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้สักแต่ว่านี่อิริยะบทหนึ่งแปลกแต่จริงกายเดิมแขนขาหัวตัวอันเดิมแท้แต่แค่พลิกจิต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 เป็นการเดินเอามือเเพ่หลังก้มหน้าเล็กน้อยสติยังเคยชินกับการรู้ลมหายใจจึงปล่อยให้ตัวเองรู้ลมหายใจควบคู่กับอิริยาบถเดินไปพ ล, งพลางๆแต่ด้วยความช่างสังเกตพอเดินนานไปก็รู้สึกว่าตัวหนักขึ้นไม่เหมือนโพร่งว่างมีความทึบเป็นแท่งไม่เปราะ บ, บางเหมือนเมื่อครู่อีกทั้งความรู้สึกในตัวตนก็กลับมาดังเดิมจึงสำรวจตรวจตราว่า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 เห็นความไม่เที่ยงของอีริยาบทแล้วหรื อ, อยังเพียงทำใจสบายไม่ให้มีความร้อนรนเจือปนอยู่ในสติรู้อีริยบทเท่านั้นก่อนนอนนั่งสมาธิตามปกติข้างในทึบๆกว่าเคยแม้เห็นลมหายใจเข้าออกก็ไม่ชัดเท่าที่ควรอีกทั้งเมื่อลุกขึ้นเดินจงกรมสติก็ยังฝืดฉันลงบันทึกไว้ว่าตั้งสติผิดแล้วเข้านอนโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนักผิดก็ผิด จะได้รู้ว่าผิดพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ลองไปเรื่อยๆอย่างมีหลักเกณฑ์จนกว่าจะถูกวันที่สิบวิ่งจงกรมตื่นนอนนั่งสมาธิเช้านี้กลับรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาใหม่หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ช่วงต้นลากลมยาวสม่ำเสมอก็รู้พอผ่านไปประมาณยี่สิบครั้งลมสั้นลง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 จะช่วยเตือนให้ลุกขึ้นเดินจงกรมสักหน่อยครึ่งชั่วโมงตามกำหนดฉันก็นลุกขึ้นเดินท่อมๆใจบอกตัวเองว่ารู้อิริยาบทเดินด้วยสติที่อบรมแล้วจากอนาปานาสติแต่พอครบครึ่งชั่วโมงแล้วสำรวจคุณภาพตามแนวโพชงก็ต้องมาลงบันทึกไว้ตามจริงว่าทื่อและแห้งแรงเลอะเกินแบบนี้ไม่ใช่ทางที่จะนาไปสู่ความมีสติสมบูรณ์อย่างแน่นอน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 ตกเย็นฉันเข้าห้องฟิตเนสซึ่งเป็นบริการเกือบฟรีของบริษัทไม่ได้ออกกําลังกายเสนานแถมวันนี้จิตมีความกังวลเครือบอยู่ตลอดทั้งเรื่องงานเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยอยากยืดเส้นยืดสายให้กระฉับกระเฉงซะหน่อยแวะเวียนไปตามเครื่องออกกําลังต่างๆจนในที่สุดมาหยุดกับเครื่องวิ่งฉันก้าวยืนบนสายพานแล้วปรับสปีดให้ก้าวแบบไม่ช้าไม่เร็ว ใจก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพิ่งเสร็จจากงานเลยคิดเรื่องงานซะมากแต่ด้วยความที่ช่วงหลังได้ฝึกสติเน้นเข้าไปรู้ลมหายใจพอฟุ้งเรื่องงานเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะรู้ลมเสียหน่อยจึงลากลมหายใจเข้ายาวๆและระบายลมออกสบายๆความเคยชินในการรู้ลมอย่างถูกต้องก่อให้เกิดสติขึ้นทันใด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 ถ้าชั้นเคลื่อนไหวเชื่องช้าสังกระตายจะพล่อยทําให้สติอืดอาดไม่ว่องวัยตามไปด้วยหากกายซึ่งซึมสติก็จะมีแนวโน้มแห้งเหี่ยวเป็นเงาตามกันฉั้นเร่งสปีดสายพานให้เร็วขึ้นจนตัวโยกไปโยกมาพอรู้สึกว่าความกระฉับกระเฉงช่วยปรุงสติให้เข้มข้นขึ้นเลยได้ใจจะเอาใหญ่วิ่งไปพักหนึ่งก็ลดสปีดลงสังเกตว่ากายที่โยกโคลง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 สติก็เริ่มพร่าเลือนกลายเป็นความเกรงหาดุนไม่ถูกไปแทนฉันสังเกตว่าสติรับรู้อาการเหวี่ยงของขานั้นไม่ทำให้เกิดหลักเกิดฐานชัดเจนนักจึงพิจารณาว่าสิ่งใดในอาการวิ่งเป็นฐานของสติที่มั่นคงที่สุดวิ่งวิ่งอยู่พักหนึ่งก็ตาสว่างผัสะระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นสายพานนั่นเองที่ชัดกว่าเพื่อนเมื่อนาสติไปวางไว้ที่นั่น ก็เหมือนได้ที่มั่นแข็งแรงเป็นฐานตั้งฉันทดลองเอาสติไปอยู่ที่ฐานคือเท้ากระทบพื้นอย่างเดียวเป็นเวลาส0บนาทีเมื่อรู้ตัวว่าจิตแลบไปคิดโน้นคิดนี่บ้างก็ดึงสติมาอยู่กับเท้ากระทบอีกใจรับรู้แต่กระทบแปะแปะแปะสม่ำเสมอลำตัวตั้งตรงสายตาทอดตรงไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งกับทั้งมีลมหายใจที่สบายประกอบพร้อม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 การมีจิต ท, ที่ปลอดโปร่งเป็นพื้นในการรู้อิริยบทปัจจุบันเท่านั้นทำให้เป็นไปได้ที่จะเห็นกายแสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่ก้อนทึบเป็นเดนเหนียวอย่างเคยนั่งในรถก็ท่าหนึ่งลุกออกมาจากรถก็กลายเป็นอีกท่าหนึ่งฉันรับรู้ตามจริงว่ามันต่างกันแม้มีแขนขาหัวตัวเท่าเดิมแต่ลักษณะกายที่ปรงแต่งจิต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 บางทีกายก็ปรากฏชัดเพียงด้านหน้าบางทีก็เพียงแผ่นหลังแต่บางทีเมื่อมีสติเต็มตื่นอยู่ก็คล้ายเห็นเต็มหัวเต็มตัวมีความรู้สึกเป็นสุขสบายแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเดินกายก็ปรากฏคล้ายมีแต่หัวกับขาที่เตะสลับกันถ้าจิตทึบด้วยความฟุ้งตรงกลางก็จะเหมือนตันๆตืตืตตแต่ถ้าสติดีตรงกลางจะเหมือนกลวงกลวงไป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 ก็แสดงวสติของเรากำลังออกอาการเหวี่ยงแหจับชายนับเป็นเครื่องสะดุดให้หยุดความก้าวหน้าของสติปัะฐานเบื้องต้นได้อย่างหนึ่งสรุปคืนนี้ฉันดีใจเป็นพิเศษเมื่อได้หลักการเดินจงกรมที่ถูกต้องตอนนี้เหมือนมีอาวุธคู่ใจสองชิ้นไว้รบทับจับสึกกับกิเลสอย่างสมน้ำสมเนื้อแล้ววันที่11องค์ที่4ี่กับหของโพชฌงกฏ เช้านี้เป็นอีกเช้าหนึ่งของความมีสติตื่นเต็มเพิ่งมองย้อนกลับไปแล้วเห็นว่าที่ผ่านมาชั้นเพ่งคับแคบอยู่กับลมหายใจเมื่อไม่มีอิริยาบทเป็นฐานสติร่วมประกอบด้วยนั้นแม้เห็นลมหายใจชัดจิตก็ไม่กว้างขวางเท่าที่ควรต่อเมื่อเริ่มรู้สึกในอิริยาบทปัจจุบันมากขึ้นพอกลับมาตามรู้ลมหายใจอีกครั้งก็เหมือนฐานสติใหญ่กว่าเดิมสบายกว่าเดิม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 ทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นปีติตามนิยามองค์ที่สี่แห่งพชนชงเมื่อมีวิริยะสนับสนุนไม่ลดละความเบิกบานกายใจก็ให้ผลเป็นความสงบระงับไม่กวัดแกงทั้งกายใจเช่นกันฉันจึงเห็นความปรากฏขององค์ที่หแห่งพชนชงที่เรียกว่าปัตสธิเข้าใจความหมายของวิเวกสุขอย่างแท้จริงคล้ายความรับรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวเลือนราง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 นักภาวนายุคเราบางกลุ่มกลัวติดสุขจากการทำสมาธิถึงขั้นไม่ยอมทำสมาธิกันจะเดินจงกรมอย่างเดียวแต่ฉันพบพุทธพจน์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ในละทุ ก, กิโกปมสูตรใจความโดยย่นย่อคือเรากล่าวว่าสุขอันเกิดจากฌานสมาบัตินั้นบุคคลควรเสพควรทำให้เกิดบีควรทำให้มากและไม่ควรกลัวในสุขนั้น ฉันยังทำมาไม่ถึงความนิ่งเป็นหนึ่งที่เรียกชานสมาบัติเพราะจิตยังไหวๆมีคลื่นความคิดกระเพื่อมเป็นระลอกระลอกอยู่แต่พอจะอนุมานได้ว่าสุขเกิดแต่วิเวกแบบเดียวกับฌานเป็นเช่นใดฉันจะไม่กลัวติดสุขเพราะไม่ได้ทำสมาธิหรือเดินจงกรมด้วยความอยากเสพสุขแม้เสพสุขแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นภารกิจสุดท้ายที่ต้องทาแต่มองว่าเป็นห่วงโซ่หนึ่ง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 สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความรู้ชัดเข้ามาในขอบเขตกายได้อย่างรวดเร็ววิ่งจงกรมอย่างมีคุณภาพเพียง1ิบนาทีอาจได้ผลดีเส ก, กว่าเดินจงกรมแบบเออเออตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงซะอีกชีวิตคารวาดทำให้สภาวะจิตค่อนข้างรุ่มๆุมดอนดอสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวจิตสว่างเดี๋ยวจิตมืดเดี๋ยวจิตตกเดี๋ยวจิตขึ้นบางทีก็ดูทัน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 พลอยทำให้อัตาน้อยลงอย่างเห็นเทียบเคียงกับอดีตได้ชัดเลยสรุปว่าถึงไม่ใช่องค์ที่เจ็ของโพชฌงค์คืออุเบกขาก็น่าจะใกล้เคียงบ้างแล้วนะอีกจุดหนึ่งที่แสดงพัฒนาการของฉันคือฉันเริ่มเห็นค่าของสติก่อนนอนเมื่อเปรียบเทียบได้ว่าคืนไหนนอนแบบหลงสติอาจฝันมั่วและตื่นมาด้วยความมัวมนต้องทาสมาธิสักพักกว่าจะเริ่มเข้าที่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 เช่นลมหายใจนี้เราจะมองเป็นของเกิดดับได้อย่างไรจะเกิดวิริยะได้บางทีถึงกับอึดอัดในอกที่ต้องต้านทานความอยากปล่อยใจออกไปข้างนอกตามเรื่องจะเกิดปิติได้ต้องรอให้จิตเชื่องจนรู้เห็นความเกิดดับของลมหายใจอย่างเดียวสักพักหนึ่งและจะเกิดปัสสติได้ต้องให้จิตเบิกบานสักพักหนึ่งกายจึงระงับนิ่งแล้วความฟุ้งจึงระงับตาม พ่ชงอย่างกลางนั้นจะเกิดสติโดยไม่ต้องฝืนใจจะเกิดธรรมวิจัยได้ด้วยความเคยชินจำทางได้โดยไม่ต้องเค น, นึกจะเกิดวิริยะได้ไม่จำเป็นต้องออกแรงฝืนจะเกิดปิติได้ง่ายขึ้นและจะเกิดปสัสสติเกือบพร้อมกันกับที่รู้สึกว่าจิตเบิกบานกายระงับนิ่งเกือบทันทีในหัวไร้ความฟุ้งกลายเป็นความสงัดสงบเหมือนผิวน้านิ่งเย็น โพดชงทั้งสองระดับนี้อาจผลัดกันอยู่ผลัดกันไปหรืออาจจะหายไปหมดด้วยกันทั้งคู่อีกประการหนึ่งต้องไม่ลืมด้วยว่าทั้งอย่างอ่อนกับอย่างกลางที่ฉันกล่าวถึงในเดือนแรกนี้มีลมหายใจและอุริยาบทเป็นราวเกาะฐานสติอื่นๆฉันยังเข้าไม่ถึงฉะนั้นโพดชงอย่างแก่เป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอดูต่อไปสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่หนึ่งหนึ่ง ฉันได้ศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นในทางหลุดพ้นคือสติปัฏฐานสที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเชื่อแน่ ว, ว่าเมื่อใต่ไปตามขั้นตอนวันหนึ่งในชาตินี้จะต้องหลุดพ้นอย่างแน่นอนมีองค์ต่างๆของโพธชงเป็นเครื่องตรวจสอบว่าสภาพจิตของฉันกำลังดำเนินเข้าใกล้มรรคเข้าใกล้ผลอยู่มากน้อยเพียงใดออกนอกรูนอกทางไปบ้างหรือยัง 2. ฉันได้ราวเกาะคือลมหายใจและอิริยบถ